พระไตรปิฎกเล่มที่ส4อสุณโนวาทะสูรว่าด้วยประธานโอวาทโดยย่อแก่พระปุณณะหลักโดยย่อเพื่อปฏิบัติธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระปุณณะออกจากพระสมาบัติเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ขอให้โปรดให้โอวาทโดยย่อที่ได้ฟังแล้วจะหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกยและใจอยู่พระผู้มีพระภาคประทานโอวาทแก่ท่านพระปุณณไว้ดังนี้ว่าปุณนะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้่าใจให้กำนัดมีอยู่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 ปวดทพักที่พึงรู้แจ้งทางกายทัมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเัียงเพลิดเพลินชยชมยึดติดอยู่ความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดขึ้นทุกจึงเกิด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 รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและทำมารมนั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับจากนั้นตรัสถามว่าเมื่อให้โอวา ด, ดวยย่อนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกราบทูลตอบว่าจะไปอยู่ในชนบทชื่อสุ น, นาปรัตตะพระผู้มีพระภาตรัสถามว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเป็นคนดุร้ายหยาบคายนักถ้าพวกเขาจักด่าบริภาทเธอในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักด่าบริภาทข้าพระองค์ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือปุณณนะ ถ้าพวกเขาประหารเธอด้วยฝ่ามือละ่ะเธอจะคิดอย่างไรในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษเหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยก้อนดินปุณณะถ้าพวกเขาประหารเธอด้วยก้อนดินละ่ะเธอจะคิดอย่างไรข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษเหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยท่อนไม้ถ้าพวกเขาประหารเธอด้วยท่อนไม้ละ่ะเธอจะคิดอย่างไร ข้าพระองค์ก็จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เหล่านี้ดีจริงแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยสัตราถ้าพวกเขาจะประหารเธอด้วยสัตราเธอจะคิดอย่างไรข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ปลงชีวิตเราด้วยสัตราที่คมถ้าพวกเขาจะปลงชีวิตเธอด้วยสัตราที่ขมเธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์พูดเจริญ ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอึดอัดประอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิตสแสวงหาสัตราเครื่องปลงชีวิตก็มีอยู่แต่เราได้สัตราเครื่องปลงชีวิตที่ไม่ได้สแสวงหาเลยพระผู้มีพระภาคได้ฟังคำตอบนั้นจึงตรัสว่าดีแล้วปุณณนะ เธอประกอบด้วยความขมใจคือความสำรวมอินทรีและความสงบใจนี้จะสามารถอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้บุญ น, นะเธอรู้เวลาอันสมควรในบัด น, นี้เถิดครั้งนั้นท่านพระปุญ น, นะชื่นชมยินดีพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาสกรธรรมประทักษิณเก็บงาเสนาสนะเรียบร้อย และถือบาทและจีวรหลีกจ้าริกไปทางสุนาปรันตชนบทเมื่อจ้าริกไปโดยลำดับก็ถึงสุนาปรันตชนบทได้ยินว่าท่านพระปุณณะอยู่ที่สุนาปรันตชนบทนั้นครั้งนั้นระหว่างพรรษานั้นท่านให้ชาวสุนาปรันตชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณห0 0คนและแสดงตนเป็นอุบาสิกาประมาณห0 0รคน แล้วระหว่างพันศา น, นั้นเหมือนกันท่านปุณณะได้บรรลุวิชาสามลำดับนั้นโดยสมัยต่อมาก็ได้ปริณิพานครั้งนั้นแหละภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามเรื่องกุลบุตรชื่อปุณณนะที่พระองค์ทรงประทานโอวาท ด, ด้วยพระโอวาทโดยย่อนั้นมรณภาพแล้ว เขามีกติมีอภิสัมปรายพบเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณะปรินิพานแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจ ย, ยินดีต่างชื่นชมพระภาษตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบปุนโนวาทสูตร